ความรู้คู่คุณธรรมมันไปด้วยกันตลวพ่อบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศเอกราชตั้งแต่ดึกตําบันมาจนถึงปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้เฉลียวฉลาดเอาประเทศชาติรอดมาได้ประเทศรอบด้านของเราที่อาเซียนตกเป็นเมืองขึ้นอารยประเทศเขามีประเทศไทยประเทศเดียว ที่เป็นเอกราชพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอาประเทศเข้าอาเซียนประเทศไทยของเรากับเดินตามหลังประเทศอื่นเสียเปรียบอย่างมากนะลูกหลานนะประเทศไทยต้องนำหน้ามันถึงจะถูกพวกเรามัวแต่ทะเลาะกันอยู่อย่างเนี้ยใครจะขึ้นตนไม้ก็ชักขาาไว้ใครจะขึ้นกับชักขาาไว้เพราะความอิจฉากันนะ ความอิจฉาตัวนี้ทําให้ประเทศชาติบ้านเมืองล่มจมจิบหายพวกเราอ่านดูที่ประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยากระเพราะอะไรกับความอิจฉาเนี่ยนะมาถึงยุค ข, ของพวกเราก็ยังอิจฉากันอยู่ความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวีนกันมันไม่เป็นผลดีต่อคนในชาติถ้าว่าผู้ใดก็ตามจึงเป็นผู้ใหญ่พวกเราก็ผลักหลังเขาไปอา้าดําเนินการนะทําอย่างนี้อย่างนี้นะ น่าจะยกให้เป็นผู้นำเมื่อเป็นผู้นำเสียจแล้วเป็นยังไงผลออกมาเป็นยังไงก็รู้ๆกันอยู่เพราะพวกเราได้รับการศึกษาดีด้วยกันทั้งนั้นปริญญาโทรปริญญาเอกในเมืองไทยเนี่ยเคาะกระบานใครเกิดไม่ถึงสิบคนก็เป็นปริญญาโทรปริญญาเอกปริญญาตรีทั้งหมดล่ะทไมจไม่รู้ถ้าใช้ปัญญาถ้าไม่ใช้ปัญญามันมองอะไรไม่เห็นทั้งนั้น มีแต่กิเลสปิดหน้าปิดตาโลภโกรดหลงบังตาของตนเองมันไปทางมืดทั้งหมดแต่ถ้าว่าเรามองด้วยปัญญาเราก็รู้เนี่ยเป็นยังไงถูกผิดอย่างไรไอย่างหลวงพ่ อ, อยังจำำําคําท่านพิพากษาท่านหนึ่งได้สมัยหนึ่งท่านพิพากษาไม่ลงรอยกันทะเลาะกันแบ่งเป็นฝักฝ่ายมีท่านพิพากษาท่านหนึ่งท่านเป็นกลางท่านไม่เข้าฝ่ายไหน เทนี้กลุ่มหนึ่งจะเข้ามาท่านจะเข้าฝ่ายไหนจะเป็นยังไงท่านพิภากษาท่านนี้ท่านบอกว่าขนาดเราเป็นพิภากษายังไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรแล้วจะให้ชาวบ้านเขารู้จักได้อย่างไรอันไหนผิดอันไหนถูกขนาดพิภากษายังไม่รู้ว่าอันไหนควรไม่ควรอย่างไรผิดถูกอย่างไรมันน่าจะสืบสอบให้รู้ว่าอันไหนเป็นอันไหนผิดถูกยังไง เออฟังแล้วหลวงพ่อฟังซึ้งใจเนในความคิดน่าจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันประเทศชาติของเราชาติไทยของเราเออปกครองมาเท่าไหร่เสียเงินไปเรียนต่างประเทศเท่าไหร่แต่ละปีปริญญาเอกไม่รู้เอากี่แขนงตกขีแขนงทั้งประเทศปริญญาเอกนอกปริญญาเอกในเออใครก็ว่าใครมีความรู้แต่ผลที่สุดเอาความรู้นะั้นมาห้ามผันกัน มาฆ่ากันมาอิจฉากันมาลังแกเบียดเบียนกันมันไม่ใช่หน้าที่เสียเงินของประเทศไปแล้วให้คนได้ความรู้มาแล้วเอาความรู้มาห้ามหันกันอีกมันเสียสองต่อสามต่อนะประเทศชาติล้าหลังเข้าไปเท่าไหร่เนี่ยนี่แหละสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อได้พูดให้แก่ครูบาอาจารย์ฟังเมื่อวาน แต่คือไม่พูดถึงอย่างนี้หรอกแต่ว่าใกล้เครียงใกล้เคียงอย่างนี้แหละเพื่อเป็นแนวความคิดของชั้นผู้นําในชุมชนครูบาอาจารย์เนี่ยเป็นผู้นําในชุมชนนะถ้าว่าครูบาอาจารย์ไม่เอาทานไม่เอาไหนครูบาอาจารย์ไม่มีไฟคําว่าไม่มีไฟคำนี้คือเป็นยังไงเหมือนกับผู้นําไม่มีไฟฉายอย่างนั้นะเดินทางมื ด, มด ขนาดผู้นำาก็ยังไฟลิบดีลิปดีไม่มีไฟถูกน้องเดินตามหลังจะทำยังไงล้มลุกคุกคานไปเหยียบงูเห่างูจงอางไปเรื่อยอะต้มหายตายเกินไปหมดเพราะเหตุไดเพราะครูบาอาจารย์ไม่มีไฟไม่มีความกระตือรือร้นรัฐบาลก็เช่นเดียวกันผู้นำของประเทศถ่าว่าไม่มีไฟมีแต่ จะกินประเทศชาติมิตรคิดอ่าน้ําขึ้นมามิตรเกกินประเทศชาติปานเมืองประเทศชาติจะไปได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ก็น่าพิตกกังวล น, น่าห่วงเหมือนกันแต่ถึ้งยังไงพวกเราอยู่เป็นสมุนเบื้องหลังนักเป็นพวกหาบเหมือนกันพวกเราหาบนะคล้ายๆว่าเขาพาไปถึงนี้นก็เดินไปตามเขาที่เขาพาไปพวกเราในะพวกหาบพวกสเสบียงพวกตามเขาถ้าเขาเดินทางผิดนั่นแหละ หาเราก็ต้องทิ้งกระจุยกระจายไปเหมือนกันนะเพราะอะไรเพราะเขาเดินทางผิดถ้าเขาเดินทางถูกก็เออเอาพวกเราก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปถึงจุดหมายปลายทางเห็นไมปีสามสิบเก้าสี่ศูนย์ทั้งที่โลกของเขาเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่พวกเราเนี่ยไม่รู้แต่อยากจะให้มันทันสมัยเหมือนเขาเปิดประเทศเสรีในการการเงิน ผลในสุดนะเห็นไหมสามสิบเก้าสี่ศูนย์ประเทศเกือบล้มทั้งยืนออกประเทศเป็นประกันเพราะเหตุอะไรสรุปก็คือคนในชาติมันโง่คนในชาติโง่ไม่น่าจะผิดนะเหมือนกร ะ, กะเลียงกระเลียงอยู่ในดงดอยนะเดินโตเตเข้ามาตัวเองว่าตัวเองมีเงินนะเข้ามานะพวกอยู่ในเมืองในกรนะุงหลอกกินมดนดะตัวจะรู้ได้พอแรงกระเลียงเกือบเสื้อผ้าเกือบ ไม่มีเพื่อผ้าจะนุ่งแล้วกลับไปบ้านตัวเองะในยุคสมัยนั้นก็นอย่างนั้น่อย่ามาลวงตามหาบวชท่านในออกมากอบกู่ข่าวนั้นไม่ใช่กอบคู่เศรษฐกิจอย่างเดียวนะกอบกู้คนในชาติทุกหัวละแห่งไม่ให้ชาวบ้านลุกฮือขึ้นมาถ้าว่าไม่มีใครพูดเฉยเลยนะถ้าชาวบ้านไม่รู้นะ่ะเงินทำไมเงินมันหมดทําไมไม่เอาเงินมาทําไมทําอย่างนี้ชาวบ้านลุกฮือขึ้นไปนะั่นน่ะ ไม่รู้อะไรตัวเมื่อไรเลยเอ อ, ไ ม, อมไม่รู้มวยวัดไม่รู้มวยเลี้ยงควายแล้วบอลเนี่ยตีกันต่อยกันอุตลุดประเทศชาติป้านเมืองเนี่ยจะล่มจมจิบหายถึงขนาดไหนหลวงตาท่านออกมายศ อ, อรัฐบาลคนในชาติเดินผิดที่ผิดทางแล้วเศรษฐกิจจำแย่แล้ว เ, ออเงินหมดแล้วพวกเราอยู่ในความสงบมาเอา อ, ออกมาช่วยกัน ข่าวเนี่ยจึงได้เรียร์ลายคนระบาทคนละสตางจนได้ทองคําถึงสิบสามตันกว่าเอาเข้าคลังหลวงเดี๋ยวนี้คลังหลวงของเราก็แน่นปึ๊กขึ้นมาแล้วก็เงินก็มีคุณค่าขึ้นมาเพราะมีทองคําอยู่ในคลังหลวงเป็นหลักประกันแต่เดี๋ยวนี้กําลังจะอ่านกันอีกยจะอ่านกินเงินคงคลังของกลางอีกนี่แหละแต่ตามไม่จริงมีแต่ปริญญาตรีโทเอกทั้งนั้นผู้บริหารประเทศ ทำไมทำไมจึงมองไม่มองไปข้างหน้าทำไมไม่มองทำมาค้าขายประเทศชาติพร้อมที่จะให้ทำมาค้าขายกับต่างประเทศอยู่แล้วสิ่งไหนที่มันจะเกิดประโยชน์ทำไมไม่ค้าขายกับเขาทำไมจึงมองไปมองมาเห็นเงินโบราณนะเห็นเงินโบราณที่เขาเก็บไว้เหมือนกับเราให้ลูกชายคนหนึ่งเป็นผู้บริหารครอบครัวอย่างนั้นนะเอา้าวบริหารครอบครัวกลับไปกลับมา เอาเงินเอาสิ่งของไปขายให้ต่างประเทศก็ไม่ได้เมองไปมองมาเห็นที่ดินโฉนดพ่อแม่อยู่ยังอยู่เอาดินพ่อแม่ไปขายใครทํอย่างนั้นใครก็ทำได้จะไปะยากอะไรขายโฉนดพ่อแม่นั่นก็ได้เงินท่า น, นจะไปะยากอะไรแต่คนที่มันยากก็คือต้องใช้หัวต้องใช้ปัญญาเอาสิ่งของอัะไรไปขายให้เขาแล้วเอาเงินเข้ามา เรื่บริหารครอบครัวนั่นพวกเรามอบให้พี่น้องให้พี่ของเราพี่น้องของเราดําเนินอย่างนั้นจึงจะเป็นที่พอใจแต่พอปุปปับเขามาเอาเอาเงินที่ฝากไว้ประกันครอบครัวเอามาแจกกันเอามาถลุงเล่นมันดูแล้วมันมันน่าคิดเหมือนกันนะอันนี้หลวงพ่ออยู่ในป่าดงผงไปนะมาคิดถึงลูกถึงหลานคิดถึงประเทศชาติบ้านเมือง แล้วก็หน้าห่วงนะสรุปแล้วอย่ามาเกิดดีที่สุดในโลกเนี่ยแต่จะทํำยังไงจะภาวนายังไงจะชําระใจยังไงจะจึงจะพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารไม่มาเวียดไวยตายเกิดอันนั้นแหละเลิศประเสริฐที่สุดเขายัางพูดอีกเนีเขาบอกว่าลงตามหาบวกเข้าสู่นิพพานแล้ว เ, เงินที่เอามาทัานที่เงินท่านเอามาให้เอามาไว้เนี่ย ท่านมอบให้แก่พวกเราแล้วจวนท่านเขานิพพานแล้วพวกเราจะเอามาใช้ใจ่ายอย่างไงเอาตามภัตตายาใสของพวกเราพวกกิเลสเขาว่าอย่างนั้นน่ะหลวงพ่อได้ฟังพวกก็ขำอีกเหมือนกั น, นอันนี้คือคือประเทศชาติบ้านเมืองจะถึงอย่างไงก็ตามนะถ้าเอาพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาทั้งทางโลกได้ศึกษาทั้งทางธรรม ได้ศึกษา้าคดีโลกคดีธรรมคดีโลกมันเป็นยังไงมีแต่เรื่องวุ่นวายมีแต่เรื่องยุ่งเยิงวุ่นวายแต่ถ้าเราไม่ยุ่งด้วยก็ไม่ได้เพราะเราอยู่ในกลุ่มเดียวกันแท้ถ้าเราไปยุ่งมากก็ไม่ได้เแล้วก็เจ็บตัวอีกแล้วเราจะช่วยยังไงเราก็เราจะปล่อยปะละเลยก็ไม่ได้เราจะช่วยสิ่งไหนที่พอเราจะช่วยได้อ้าวช่วยแต่มันเกินสามารถของเราก็เอ้ามองดู แสดงความคิดเห็นอย่างลุงพ่อแสดงความคิดเห็นน่ะพี่น้องทางหลายเอ้ยอย่าไปทะเลาะกันอย่าไปอิจฉากันถ้าพวกเราอิจฉาพยาบาทอาฆาตกันน่ะประเทศชาติร่วมจมจิีพายในะพี่น้องหนะ้าเนี่ยถึงจะพูดในสามสีขนเออเห็นด้วยวะ่ะเออยู่ในความสงบนิ่งดีกว่าบ้านเมืองเป็นลักษณะนี้เรานิ่งดีกว่าเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดประโยชน์แต่ถ้าว่าเราเย้ยวเย้ยวกวาขาเออผลไม่สูงนะไม่รู้ใครเป็นใครท่เนี่ย อันนี้ก็คือโลกส่วนธรรมก็คือเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้นะไม่ว่ายุคไหนสมัยไหนนับว่าโชคดีพวกเราเกิดมาในยุคนี้ถ้าจะเกิดในยุคกรุงศรีอยุธยาแตกเนเอพวกเราก็คงจะแบกหาถือหอกแหลนเหลาไล่สู้กันนี้นั่นแหละทุ่งกรุงศรีอยุธยาทุ่งสุพรรณบุรีแถบๆนั่น ไม่รู้ใครเป็นใครเลสมัยนั้นก็แย่เหมือนกันแล้วกึง ส, สมัยสงครามโลกครั้งที่สองเนียญี่ปุ่นผ่านเมืองไทยข่าวนั่นก็ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเอีพวกพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราตาไม่หลับเลยเห็นเครื่องบินมาแล้วก็โหยกลัวยิ่งกว่ากลัวหลวงพ่อก็นับว่าโชคดีนะพอสงครามโลกผ่านผ่านไปซะก่อนนะหลวงพ่อก็มาเกิดพอดีฮนงะเอีเกิดสงครามผ่านไปแล้ว ปี 2,100 400 4087นะผ่านไปแล้วหลวงพ่อก็มาเกิด88ใช่ไหมล่ะหลวงพ่อก็คงจะมองมองดอูเหมือนกันนะสงครามผ่านไปแล้วเว้ยลงไปเกิดได้ตังพ่อก็เลยมาเกิดพ่อมาเกิดแล้วก็เออแต่มาถึงยุคนี้สมัยนีนะ้ผ่านมาเรื่อยๆมันก็มีอยู่แต่มันก็ไม่หนักหนาแต่ว่าถึงยังไงถ้ า, าว่า คนในชาติมีศีลธรรมที่ดีก็ประเทศชาติก็จะร่มเย็นเป็นสุขทุนหน้ากันอย่างเราเราก็ไม่ได้นิ่งดูได้หลวงพ่อถึงจะมีศรัทธาญาติโยมถวายจิตตุปัจจัยคนละหมากคนละน้อยก็รวบรวมก่สร้างให้โรงเรียนบ้างช่วยโรงพยาบาลบ้างช่วยเครื่องมือแพทย์บ้างอันนี้เราก็ไม่ได้นิ่งดูได้ก็ช่วยวัดว า, าศาสนาด้วย แต่ส่วนตัวของเราเราก็พยายามทำดีที่สุดอย่างที่พระพุทธเจ้าได้สั่งไว้ว่าสังขารทั้งหลายมันไม่เที่ยงนะท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะเราก็มองดูเหมือนกันเอหลวงตาอินนะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่หกสิบเจ็ดแล้วนะหกสิบหกแล้วนะเม ษ, ษาหกสิบหกสิบหกเต็มแล้วนะย่างหกสิบเจ็ดนะคนเจ็ดสิบขึ้นไปนะเป็นยังไง เราจะไปไวหวใจในชีวิตนะร่างกายสังขารนี่ตายแน่ๆนะเอาไปเผาไฟทิ้งแน่ๆนะไม่เป็นอย่างอื่นนะหลวงตาอินนะหลวงตายอินก็มองหลวงตาอินหลวงพ่ออินอยู่เสมอไม่ได้มองข้ามเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติประโยชน์ตนก็พยายามทําทดีที่สุดประโยชน์ตนภาวนาทําความภาคเพียนพัฒนาอันไหนจะเกิดประโยชน์ประโยชน์คนอื่นก็เอา แนะนำสั่งสอนบอกกล่าวพร้อมกันกับสงฆ์ข้ออนุเคราะห์สิ่งที่จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสังคมเราเกิดมาทั้งทีชีวิตอย่าให้เป็นขยะของสังคมอย่าให้สังคมคนอื่นเดือดร้อนกับเราเราให้เป็นที่เบาใจของชุมชนและสังคมสิ่งไหนที่เราจะช่วยได้ช่วยพูดช่วยทําช่วยคิดช่วยมีจะช่วยที่จะเกิดประโยชน์เนีย ในสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำํำอย่าคิดอย่าพูดอย่าทําในสิ่งที่มันไม่ดีถ้าทําแล้วเดือดร้อนตนและผู้อื่นทําให้คนอื่นไม่ไม่ดีสิ่งเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายนะคิดไว้ในใจให้คิดไว้ในใจอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าสังขารทั้งหลายเป็นมันไม่เที่ยงนะสังขารคือร่างกายสังขารจึงทั้งหลายทั้งปวงมันไม่เที่ยงอีกสักวันหนึ่งก็แก่แจและวก็เจ็บตาย หาความเทียงแท้แน่นอนเมื่อไหร่เราอยู่ขนาดนี้แหละอีกสักกี่วันข้างหน้าเราคิดได้ไหมอีกสักกี่วันเผลอๆอาจจะขึ้นไปอนอนหลับตายก็มีฉันเข้าอิ่มแล้วก็ตายก็มีมันไม่ได้เลือกว่าวันนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้เมื่อไหร่มันพร้อมที่จะทุกเวลาเพราะนั้นชีวิตของเราเป็นของที่รับประ ก, กันไม่ได้ว่าจะไปวันไหน หมดลมหายใจเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นละ่ะหายใจไม่เข้าก็ใช่หายใจไม่ออกแล้วก็ใช่มีสองอย่างเท่านั้นเองเพราะนั้นพวกเราจะตั้งอยู่ในความประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีเราก็ควรจะทําสิ่งนั้นพูดถิงนั้นคิดถิงนั้นในหลักของพระพุทธศาสนาในทำคําสอนของพระพุทธเจา้าท่านก็ให้เน้นเรื่องภาวนาเนี่ยสําคัญทําใจเหลักของพพุทธศาสนาท่านเน้นเรื่องของใจใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้า สำเร็จแล้วด้วยใจพระพุทธเจ้าได้จัดสรู้ใจของพระพุทธเจ้าจัดสรู้พระรหันต์ทั้งหลายที่ท่านภาวนาได้สําเร็จกับพร ะ, ะใจของท่านเป็นพระรหันต์ท่านชาระใจของท่านแต่การชําระใจเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากแต่ทําไมแต่ถึงยังไงก็ไม่เหลือวิสัยรู้แนวทางแล้วเป็นไปได้แต่ถ้าว่าไม่รู้แนวทางมันก็ยากนะยากเพราะเหตุไร พอไม่รู้จักแนวทางเหมือนกับเรื่องค อ, คอมพิวเตอร์ของเขาคอมพิวเตอร์เห็นไหมเรามองไม่เห็นนะมันยากแต่ถ้ารู้จักแนวทางรู้จักกฎวิธีกฎวิธีใช่วิธีการ น, น่มันก็ง่ายเพราอะอไรเพราเรารู้รู้แนวทางอันนี้ก็เหมือนกันการที่จะจับจิตจับใจน่ะจับยังไงมันยากเพราะมันไม่รู้แต่ท่ารู้แล้วจะทายัางไง เพรพระไตย์ยาวให้กำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติสัมปะชัญญะมีสติสัมปะชัญญะให้กำหนดที่ลมหายใจเข้าออกเนื่อเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วจิตของเรานิ่งพอสมควรแล้วจะพิจารณาวิปัสนนาเดินวิปัสนาก็เดินได้เพราะจิตสงบเนะพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังอาศัยการศึกษานะ เหมือนกับเราจะเดินทางต่างประเทศอเมริกาอย่างนี้เราจะต้องดูแผนที่ซะก่อนถ้าไม่มีแผนที่ซะก่อนเราจะคิดได้คิดเดินโดยมากไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทท่านนะทศายาจงพระเนนทุกองนะให้ศึกษาแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติกัรที่มีแต่ดูแต่แผนที่เฉยๆไม่ลงมือปฏิบัติมันจะดูแผนที่มันจะไปถึงไหนนั่งอยู่ที่เก่านั่น เมื่อดูแผนที่แล้วแผนที่พาไปทางไหนเราก็เดินตามแผนที่นั้นอย่างน้อยก็ไปออได้หลายกิโลเหมือนกันถึงจะไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนไปได้หลายกิโลถ้าเดินตามแผนที่นี้ก็เหมือนกันเราศึกษาตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วศีลทานทำยังไงศีลทำยังไงสมาธิทำยังไงปัญญาทำยังไงเราได้ศึกษาแล้วก็เดินตาม ประพฤติปฏิบัติตามอย่างน้อยก็ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นจุกทางด้านจิตใจแต่ถ้าเรามีแต่ดื้อไม่เชื่อไม่สนใจก็ไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่ว่าอะไรอีกเหมือนกันเชื่อแล้วไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรมันเป็นอิสระนี่เป็นแนวความคิดของแต่ละคนนะแล้วก็ไม่ว่ากันอเหมือนกับคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีอย่างนั้นคนตาบอดรว้ อย่างเราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตาดีแต่พวกเราตาบอดบอดอะไรบอดปัญญาไม่ใช่ตาบอดเฉยๆตาปัญญามันบอดความรู้ความฉลาดของเรานะมันไม่เชื่อมันบอดมันเปรียบเทียบได้ก็เหมือนกับเราเออคนหนึ่งเป็นคนตาดีคนหนึ่งเป็นคนตาบอดไม่เชื่อคุณตาดีพูดยังไงก็ไม่เชื่อพร ม, มันไม่เห็นเนี่สุดจะเดินไปทางนั้นนะตาบอดนะไม่เชื่อ ไปโดนต้นเสาปังโกต้นเสาแล้วยนี่บอกแล้วไม่เชื่อแต่คนตาดีเขาก็ไม่ประนา ม, มาถึงขนาดนั้นหรอกแต่คนตาบอดหนึง่งก็ยังไม่เชื่ออีกผลที่จุดตกเหวตกบ่อไปเรื่อยเพราะเหตุไรเพราะไม่เชื่อะแต่ตามไม่จริงต้องฟังไว้ก่อนถ้าภูมมีปัญญาถ้าตาบอดมีปัญญาพอสมควรมีแนวความคิดพอสมควรนะเอ เราก็ต้องฟังเจก่อนว่าตาดีเขาบอกอย่างนี้ตาดีเขาบอกว่าให้ทําอย่างนี้อย่างนี้นะ proph. เราก็พยายามทำํทำทําต่อไปอเออเป็นอย่างนี้นะนี่แหละตาบอดนั้นก็จะปลอดภัยผลใ น, นสุกตาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆเยลยเ <yummy> พระาะใส่ยาหยอดตาต้องมีอะไรเข้าไปหยอดเข้าไปเลือดตาก็พอมองเห็นสิ่งดีสิ่งชั่วสิ่งควรไม่ควรควรจะทํำยังไงผลในสุกตากดีขึ้นไปเรื่อยๆนี้่เหมือนกัน พวกเราจดทา ย, ยาตโยมทุกคนนะเชื่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่เสียหายหูดง่ายๆถ้าไม่เชื่อทำคำสอนเป็นพ้นทางที่จะเสียหายเสมากกว่านะรับพรอ น, อนโมทนาให้พร